พระพเจ้าพระไปบุญอภี่ปุณโณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเวลาที่เรามาพบกันเจอเจอกันให้ท่านผู้ฟังเตรียมร้อมท่านผู้ฟังในการที่จะได้ฟังธรรมการที่จะได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจได้เข้าถึงนิยามคือความหมายถูกต้องแห่งธรรมา น, น, นั้นหนึ่งในลหลายๆเหตุปัจจัยที่พระพุทธเจ้าพูดถึงก็คือการให้มีจิตเป็นเอกะขะตาคือมีจิตเป็นหนึ่ง ฟังธรรมารด้วยแต่อย่าไปคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตบุ้งร้ายแข็งกระด้างด้วยอย่าสำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้แต่อย่ามัวแต่สนใจแต่คำพูดอย่ามัวแต่สนใจแต่ผู้พูดอย่ามัวแต่สนใจแต่ตัวเองเป็นต้นจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงความหมายที่ถูกต้องของธรรมะได้และในการฟังนี้ก็ขอให้ได้นาไปใช้ประโยชน์นะให้ถึงที่สุด ด้วยเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแนะนำบางทีข้อมูลบางอย่างเรารับไปเราไปพิจารณาใคร้ควรวนดูเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็ขอให้ลองทําดูในส่วนที่เข้าใจส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจท่านผู้ฟังอาจจะเขียนจดหมายมาถามพระเจ้าก็ได้แในะการส่งเป็นไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตําำบลดอนไฮโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี รายละเอีก็41130ใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ purethamma.com purethamma.com ส่วนดัวผูฟังที่ต้องการจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไฮโศกให้ไปที่เว็บไซต์ของวัด น, น, นี่เป็นเว็บไซต์เป็นทางการของวัดที่เกี่ยวกับเรื่องราว ต, ต่างๆในการเล็กๆปฏิบัติธรรมก็ไปที่เว็บไซต์วัดป่าดอนไฮโศก เขียนเป็นตัวย่อดได้5ตัวอักษรก็คือ W P. ย่อมาจากวัดป่า D H S ก็ดอนหายศกแตคือ W P D H S O R G ทนั่นจะมีข้อมูลพวกรูปภาพบ้างที่อยู่บ้างเบอร์ติดต่อบ้างหรือว่าข้อมูลในการเล่นปฏิบัติธรรมต้องเตรียมอะไรามาบ้างมีตารางเวลาอย่างไรเราก็ไปดูที่นั่นกันได้เดี๋ยวบัรจัยอย่างนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ ข้อมูลที่เป็นธรรมะต่างๆแต่แน่นอนไอเรื่องความสอนของผู้เช่าทั้งหมดเนี่ยก็มีเป็นตัวบทศิกษาบทวินยัยบัญญัติเอาไว้เรื่องราว บ, บางทีเป็นบทสนทนาเป็น ค, คนํากรรคําอุทานเป็นร้อยแก้วที่ผู้เชา่าอุทานแต่งขึ้นมาอย่างนี้ก็มีแต่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีสาวกรุ่นพี่เขาก็รวบรวมเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นกองดีก็รวบรวมกันเอาไว้ เเป็นข้อมูลเขียนจบันทึกกันมาโดยซึ่งพวกเราก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยเนีสืบทอดกันมาได้มีอ่านมีศึกษามีใช้ในการที่จะทำจิตใจของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของกระวาดในที่ยังยินดีทองและเงินยังเสพกามยังกินข้าวเย็นอยู่ยังต้องการมีลูกมีบุตรมีภรรยามีสามีมอยู่และใช้ของดีๆงามๆอย่างที่ คนบริโภคกา ร, รบริโภคกามก็คือหาความสุขทางตาทา ง, งหูจมูกลิ้นกายเนี่ยหอย่างเนี่ยทำอย่างไรถึงจะมีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในพบที่ตัวเองอยู่นี้หรือแม้แต่ในวินาทีนี้เวลานี้ทําอย่างไรถึงจะมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งความสุขที่เป็นระดับเหนือโลกในที่นี้มีคระว่านคนหนึ่งที่เขาชื่อพยาคปัจชะแต่ก็ไปถามพระเจ้าเรื่องนี้แหะ แต่เรื่องว่าเอ๊ะสำหรับรารวาสผู้ยังบริโภคกา ร, รมแต่ยังแอบอันอยู่ด้วยบุตรแต่คลองเรือนอยู่เดี๋ยวไปเยี่ยมคนนั้นเดี๋ยวไปเยี่ยมคนนี้แต่ถึงเวลาวันหยุดก็อยากไปเที่ยวแต่ยงกินข้าวเย็นอาจต้องไปสังสรรค์พบปะเจอเพื่อนฝูงบ้างแต่อยากมีของงามๆเครื่องประดับสวยๆไว้ใช้เงินเก็บในธนาคารก็มีแต่อยากเก็บไว้ยินดีในทองและเงินอยู่แต่ใช้ของหอมเครื่องรูปไล่รูปทาเครื่องสําอาง อะไรต่างๆก็มีอยากขับรถคันใหญ่ๆอยู่นะ่ยมีความสุขทางตาทางหูเนะี่ยพวกนี้ก็เรียกว่ามีความสุขอยู่ด้วยกามยังบริโภคกามอยู่ทำอย่างไรถึงจะมีความสุขนะในทางธรรมะนี่ในปัจจุบันข้อที่1แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความสุขในสัมปรายะเน่สัมปรายะหมายถึงโลกหน้าที่จะเข้าไปถึงพรามเนะ่ก็หมายถึงในโลกต่อๆไปนั่นแหะในที่นี้รวมถึงระดับเหนือโลกด้วย ดันั้รุทาเนี่ยให้คําตอบกับกระอสผู้นี้เนะได้แบ่งเป็น2หมวดเนะี่อย่างแรกเพื่อความสุขในทิฏฐธรรมในปัจจุบันนี้ในพบที่คุณอยากจะบริโภคการอยู่เนี่ยหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ยังทําทางไปสู่ในระดับเหนือโลกคือพวกฆราวาสบางคนเนี่ยก็จะมีความคิดว่าโอ้นิพพานเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเลยตอนนี้ขอฉันทำมาหากินกันเอชันจะต้อง หาเงินเลี้ยงครอบครัวบ้างหรือนะหรือว่าอยากมีความสุขในปัจจุบันในพงศนิพพานอย่าเพิ่งพูดถึงกันนะซึ่งข้าพเจ้าก็เคยพูดประเด็นนี้ไปหลายครั้งแล้วนะในช่วงต่างๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราเห็นได้ในปัจจุบันแต่วันนี้จะมาพูดถึงหบทธรรมอีกอันหนึ่งแตนะ่ถ้ามองจากมุมของผู้ที่ยังบริโภคกามในะระดับที่ยังอยากที่จะมีความสุขแบบต่างๆที่เขามีกันในโลกนี้เอาไม่เป็นไรแตนะ่ถ้าเราต้องการจะมีความสุขในลักษณะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะปลอดภยัย แล้วก็ข้อที่สองแล้วก็ทำทางข้อที่สองคือทำทางต่อไปในสู่สิ่งที่ดีที่งามในอนาคตด้วยสิ่งที่ดีที่งามในอนาคตนี้ก็ไล่ไปนะตั้งแต่ความเป็นมนุษย์ที่ดีๆหรือว่าเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือว่าขึ้นไปจนถึงเป็นพระอาหารหันต์ระดับเหนือโลกนั้นเลยคนทั่วไปเขาก็จะพูดว่ามีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมแต่ในความเป็นรพระเจ้านี่คิดว่าโลกกับธรรมเกินเหนียวกัน เนื่นากว่าในโลกมันยังมีธรรมะอยู่แต่ถ้าเราจะพูดให้ถูกก็คือทางโลกกับระดับเหนือโลกแต่ซึ่งในที่นี้พระเจ้าได้ตรัสไวถึงในทิฏฐธรรมคือจริงที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกใช่ไหมใช่อา้าวเราจะมีความสุขได้อย่างไรเรามาพูดถึงทำสี่อย่างนี้แล้วท่านในระดับที่จะยิ่งยิ่งขึ้นไปนนเลยจากโลกนี้ไปจะเป็นระดับที่สูงขึ้นไปหรือเหนือโลกก็ได้คุณจะทําอะไรที่จะพาไปถึงตรงนั้น่อันดับแรกคือ ที่อยู่ในปัจจุบันคือในโลกนี้แต่คนที่อยู่ในมนุษย์โลกเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าคุณต้องการมีความสุขนะยังมีชีวิตในการเสพกามอยู่ยินดีในการที่จะมีความสุขทางตาทางหูสิ่งที่คุณจะต้องมี4อย่างแรกอันดับแรกคือความถึงพร้อมด้วยความขยันถึงพร้อมด้วยความขยันทํำยังไงก็ต้องลุกขึ้นตั้งแต่เชา้านะลุกขึ้นทําการงานจะเช้า ก, าก็ได้บางคนอยู่กะข่ํา ลุกขําก็ไดนะ้อยู่กะดึกก็ทําไปแต่ด้วยการลุกขึ้นทำกิจการหรืไนะม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรษกรรมการค้าขายเป็นพ่อค้าจะขายของหน้าร้านหรือเป็นเซลล์ขายของแต่ทางนั้นเหลเลี้ยงโคก็ได้นะพระเจ้าใจในที่นี้ใช้คาว่าโครกกรรมนะหรืออาชีพผู้ถืออาวุธนะจะเป็นข้าราชการทหารนะหรือเป็นราชบุรุษก็คือข้าราชการปุโรเรือนนะหรือด้วยศิลปอย่างใดอย่างหนึ่ง ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นทักษะแต่ศิลปะในที่นี้ก็คือหมายถึงทักษะในการทําการงานอันใดอันหนึ่งหที่เราต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทักษะหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้บางคนอาจจะเก่งในด้านร้องเพลงเป็นทักษะคุณก็ทำํำไปบางคนมีทักษะในเรื่องการก่อรสร้างแต่คุณก็ใช้ศิลปะหรือทักษะที่คุณมีนั้นในการทําอาชีพนั้นๆสิ่งที่เราจะต้องมีในเรื่องของการถึงพร้อมด้วยความขยันเนี่ย คือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแํานะไม่เกียจคร้านแตนะ่ซอ้อซอง อ, อยู่ในอุบายในลักษณะที่จะทําอย่างไรให้งานของเราดีขึ้นแตนะ่เป็นผู้ฉลาดในการทําเองก็ไดนะ้หรือว่าจะจัดให้คนอื่นทําก็ได้เพราะนัความว่าความที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่เราทําหรือว่าคุณอยากจะทําอาหารซึ่งอาหารพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารกาวอาหารหวานก็ตามพวกนี้คือทักษะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการงานถ้าคุณเป็นทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อันนี้เป็นทักษะอย่างหนึง่งนะเกี่ยวกับตัวเลขเครื่องจักรพวกนี้เป็นทักษะที่เราทําให้เชี่ยวชาญได้แตนะ่ไม่เกยครั้นสอดส่องในอุบายนั้นๆแต่สอดส่องในการงานที่เราจะทําให้ดีขึ้นได้คุณศึกษาความรู้ไหมแต่การที่จะเพิ่มความรู้ความสมาร์ของคุณนะ่คอยดูว่าเ ง, งานของเราที่ทําตรงนี้นะ่มีคู่แข่งเป็นอย่างไรเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างไร่นะก็ต้องสอดส่องในอุบายต่างๆเหล่านี้ เป็นคำว่าสอดส่องในอุบายเนี่ยต้องไม่ประมาทนะต้องดูอยู่ตลอดเวลาเหมือนทหารเขาอยู่ตามชายแดนเนี่ยเขาส่องเล็งดูว่าข้าศึกมาไหมข้าศึกมาไหมแเราต้องสอดส่องในอุบายเพื่อที่จะทำการงานของเราเนี่ยให้ดีเดีซึ่งในที่นี้อ า, อาจจะทําเองก็ได้นะคือตัวเองลองไปลุยเองทําเองหรือาอาจจะสั่งคนงานให้ทําก็ได้เดีเป็นผู้จัด ก, การก็ได้ตัวเองทําเองก็ได้อันนี้คือความหมายของคําว่าถึงพร้อมด้วยความขยัน ในหน้าที่การงานบางคนค้าขายก็ต้องดูนั่นแหละแนวว่าเอ๊ะลูกค้าเราต้องการสินค้าอะไรขายช่วงไหนดีเราจะทํายังไงให้ขายดีทั้งตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นสินค้าคุณมีอะไรบ้างแต่คือถ้าขายจะดีเฉพาะตอนเช้ากลางวันเย็นไม่ได้ขายเอ๊ะเรามาสอบส่องในอุบายอันแดอันหนึ่งที่จะไม่ขายได้หรือว่าด้วยเทคนิคการซื้อขายอย่างไรหมุนเงินอย่างไรแนมันถึงจะทําให้การค้าขายดีขึ้นมาได้ อันนี้ก็พวกทักษะเกี่ยวกับการขายเนือยพวกวันนิชยกรรมนี่คือเรื่องของอุทาหรณสัมปทาเนี่ยแปลว่าความถึงพร้อมด้วยความขยันทีนี้พอคนถึงพร้อมด้วยความขยันแล้วเนี่ยมันก็จะได้ซัพแลทีแต่ทีนี้บางคนก็ไม่ได้ซัพนะก็หมายความว่าถ้าเราทําการสอดส่องในอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างดีแล้วในหน้าที่การงานของเราเนะี่ยทำถึงที่สุดสมประโยชนของมันแล้วเนี่ยอันนี้เราจะได้ซับแน่นอนทีนี้พอได้ซับ ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำถูกแล้วทําดีแล้วไร้ทรัพย์มาแล้วอย่างไงนั่นคือโพกระทรัพย์ที่เราหามาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมด้วยกําลังแกนตัวชุ่มด้วยเหงื่อเนี่ยเป็นโพกทรัพย์ที่ได้มาโดยทําเนี่ยจะต้องมีการเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีเพราะว่าด้วยความที่เป็นคราวาสเป็นผู้ที่ยังครองเรือนใช้สอยเครื่องรูปร้ายรูปทากินข้าวเย็นยินดีทองและเงินเพราน้นเรื่องเงินเรื่อ ง, อ ง, องทองเนี่ยสำคัญนะส ำ, ญนะสำหรับกราวาส ถ้าคุณได้มาแล้วก็ต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีแต่คุ้มครองรักษานักพุทธพจน์ตรงนี้พุทธเจ้าตรัสว่าด้วยความคิดที่ว่าอย่างไรเสียจะไม่ให้พระราชามาริบซับไปจะไม่ให้โจรมาปล้นออกไปไฟที่บึ้มๆขึ้นเนี่ยจะไ ม, ไม่ทำลายหรือน้ำจะไม่พัดพาเสียหายหรือว่าทาญาติอันไม่เป็นที่รักจะไม่ยื้อแยกออกไปคำว่าพระราชาริบซับเอาไปเนี่ยก็คือเหมือนกับทางราชการ แต่ บ, บางทีคุณถูกปรับอย่างเงี้ยอย่าให้ไปโดนปรบับนั้นเป็นเรื่องการเสียทรัพย์ที่ไม่ควรเสียหรือว่าถูกภาษีย้อนหลังอย่างเงี้แต่เราก็จ่ายภาษีธรรมดารให้มันถูกต้องเกี่ยวกับระบบราชการแต่เพื่อที่จะไม่ให้ถูกเสียภาษีหรือว่าถูกปรับในลักษณะนั้นนั่นเป็นเรื่องเสียเงินแล้วก็รักษาไว้ดีแตโจรขโมยเราก็ดู แ, แลไม่ให้เขามาปล้น่ อ, อไปภัยธรรมชาติเช่นไฟไหม้หรือน้ําท่วมคนเียเราต้อง สอดส่องดูแลในการที่จะรักษาไว้ประเด็นก็คือว่าพอเรารักษาไว้อย่างนี้ไม่ว่าจะเรื่องในเรื่องหนึ่งเหตุปัจจัยที่จะทําให้เสียทรัพย์ไปเนี่ยแล้วมันก็ยังเสียนี่คือประเด็นแต่คือเหมือนก็ว่ามันยังข้อแรกนั่นแหละที่พูดถึงความขยันคุณขยันเต็มที่เลยสอดส่องการงานอย่างดีแต่เงินก็ยังไม่ได้นะักอุตส่าห์วิ่งหน้าวิ่งหลังเพื่อที่จะประมูลโครงการนี้ทําทุกวิถีทางแล้วนะัซื่อสารสุจริตด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ ได้เงินมาแล้วหาเงินได้แล้วเงินที่เก็บไว้พยายามเก็บพร้อมรอมริบรักษาไว้อย่างดีกลับมาหายอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เลยต้องมีหมวดที่สองที่จะพูดถึงต่อไปในวันนี้นะะั่นแหละว่าเราจะรักษาจิตของตัวเราเองอย่างไรในกรณีที่ถ้าเราไม่ได้อย่างไรก็ตามในเรื่องของการถึงพร้อมด้วยความขยนันการถึงพร้อมด้วยการรักษาเนี่ยถ้าเราทําถึงจุดของมันแล้วแต่คนที่มีบุญเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยในความเห็นสุดตวงศข้าพเจ้านะ คิดว่าจะต้องได้แต่คือคุณมีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทำการค้าขายอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งอยู่ในธรรมแต่ทั้งสองหมวดนี้อย่างละ 4-4 ่สี่เนียังไงมันก็ต้องออกผลบางมากหรือน้อยตามบุญที่เราได้สร้างาไว้แต่ซึ่งแน่นอนในส่วนของพบ ต, ต่อไปที่คุณทํามันจะสอดคล้องเกื่อกูลกันอันนี้จะอธิบายทราบต่อไปในวันนี้แหละจะขอพูดถึงธรรมข้อที่3ในหมวดแรกนี้ในหมวดแรกนี้พูดถึงความสุขที่เป็นไปในปัจจุบัน นั่นคือคุณจะต้องมีมิตร ด, ดีมีเพื่อนดีนั่นะคือใครก็ตามที่เป็นคนดีเราจะดูได้ไงว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีนั่นะดูจากว่าเขามีคุณธรรมสอย่างนี้ไหมมีศีลไนะหมศีลหเราธรรมดานี่แหละเป็นคนที่ปกติตารงอยู่ในศีลธรรมดาไหมนะมีปกติอย่างนี้ไหมนะสองมีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีศนะรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือไม่นั่นเขที่ 3. มีจารึกคือการให้การบริจาค การที่มีรู้จักให้ปันมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนยินดีในการให้หรือเปล่าแดีแล้วข้อที่4มีปัญญาหรือไม่ปัญญาในที่นี้เดีวก็หมายถึงปัญญาในการที่จะละวางเห็นแง่มุมที่มันทําให้เกิดน้อมไปในการปล่อยวางได้เดี๋ยรู้แง่มุมในการที่จะทําให้เกิดความที่จะไม่ยึดถือนนี่คือลักษณะ4อย่างที่เราจะดูได้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนดีหรือไม่ จะมีอย่างในยันหนึ่งที่พูดถึงความเป็นเพื่อนดีบานทีก็มีอุปการะแก่เราให้เราเสียจากบาปตั้งอยู่ในความดีและารายละเอียดของเรื่องของความเป็นเพื่อนดีเนี่ยข้าพเจ้าจะมาพูดต่อไปเนื่นจะขยายความให้มันละเอียดลงไปได้อยู่ซึ่งในทีน่นี้ถ้าเราจะดูคร่าวๆ ว, ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีเราก็ดูที่คุณธรรม4อย่างอย่างที่ว่าศีลศรัทธาจาคะปัญญาแต่ว่าเขามีคุณธรรมอันนี้มากหรือน้อยแต่ถ้ายิ่งมีมากเราต้องยิ่งคบไว้เป็นเพื่อน แต่ถ้ายิ่งมีน้อยหรือไม่มีเลยเราต้องออกห่างอย่าไปคบคนพวกนี้แล้วก็เวลาที่เราครบกับเขาเนี่ยเราก็ต้องพูดจาพูดคุ ย, เ, ยเข้าไปหาทําความคุ้นเคยสนิทสนมกับบุคคลเหล่านี้แต่ที่มีคุณธรรมสอย่างเหล่านี้เพราะว่าคุณธรรมสอย่างเหล่านี้แหละเดี๋ยที่จะทําให้เราดีขึ้นในเวลาต่อไปต่อไปด้วยข้อที่4ในหมวดแรกนีน้ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายอยู่อย่างสม่ําเสมอ เลี้ยงชีวิต อ, อย่างสม่ําเสมอคือแ น, น่นอนความเป็นพาาระว่าก็ต้องมีรายได้มีเงินแต่จะมาจากแหล่งไหนก็ตามแตนะ่ซึ่งในที่นี้เราจะเลี้ยงใช้ชายชีวิตของเราอย่างไรแต่พระเจ้าก็ได้อธิบายถึงว่าคุณจะต้องรู้ถึงกระแสะเงินเข้าและกระแสะเงินออกนตะว่ามีความสม่ําเสมอคําว่ากระแสะเงินเข้านี้ก็หมายถึงรายได้ของคุณรายได้เนี่ยต้องท่วมรายจ่ายแตนะ่รายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับ รายได้ต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับรายจ่ายที่เงินออกกระแสเงินออกกับกระแสเงินเข้าตรงนี้ต้องเป็นบวกแต่ฟังให้ดีนะในชีวิตของเราเนี่ยทุกคนเนี่จะเป็นเด็กไล่มาจนถึงผู้ใหญ่แก่ก็ตามคุณก็จะต้องมีบัญชีของคุณอยู่ในบัญชีนี้ที่นี่หมายถึงเรื่องการเงินนี่แหละแต่ทุกคนมีเงินเข้าทุกคนมีเงินออกทุกคนต้องใช้เงินบ้านในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกินอยู่พวกนี้ใครใช้จ่ายหาซื้อมาจากไหน นะคุณนอนที่นี้บ้านนี้ใครใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายอะไรผู้นี้เป็นกระแสษเงินออกแล้วเงินที่จะเข้ามาโปะมีอะไรบ้างเหมซึ่งเราต้องทราบนะผู้ที่จะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้เนี่ยจะต้องรู้เรื่องพวกนี้แบางคนขาของได้เท่าไหร่วันหนึ่งเออไม่ได้จดตัวเลขนะประมาณเท่านี้แล้วรายจ่ายลนะ่ะก็ประมาณเท่านี้ถ้าคุณไม่รู้ถึงขนาดเป๊ะเนี่ยอันตรายนะอันนี้อันตรายในะยังถือว่าไม่ทําตัวเป็นผู้ที่รู้จัก การใช้จ่ายอยู่อย่างสม่ำเสมอการเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าบทเพียนชนะในที่นี้ก็ต้องทราบรายได้ของเรานต่นว่าอย่าให้ท่วมรายจา่ายเพราะฉะนั้นเราต้องทราบให้ดีนะถึงสตางเลยละ่ะถึงหน่วยสตางเลยละ่ะถ้าจะให้มันถึงพร้อมจริงๆนะแต่รเราก็ต้องทราบถึงรายจา่ายแต่คุณรายจ่ายเท่าไรารายจา่ายเรื่อยๆคนะ่านั่นค่านี่จดบันทึกไว้ไหยต้องทราบพวกนี้ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็น ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเราต้องบันทึกเอาไว้แบางทีมีภา ษ, ษีสังคมจ่ายไปเอาลืมจดอันนี้เราก็ต้องทราบก็ต้องบันทึกเอาไว้นักบะญชอบเปรียบเหมือนกับคนที่ถือตาช่างในรูปมือของเขานนยกตาช่างปุ๊บเขาจะรู้ทันทีว่าขาดอยู่เท่าไหร่เกินไปเท่าไหร่แตาช่างเนี่ยคือมันมีสเกลวัด น, นหน่วยถึงขนาดกรัมนุ่นน่ะละเอียดเท่าไหร่ก็ได้ตาช่างสมัยนี้เราหาได้เพราะฉะนั้นในการทําบัญชีหรือในการที่เราจะต้องรู้ กระแสเงินเข้ากระแสเงินออกของเราเนะี่ต้องทราบต้องทราบแต่เพราะว่าถ้าเราไม่ทราบเนี่ยเราจะไม่สามารถบริหารจัดการในข้อแรกได้อย่างดีในข้อแรกที่เราจะทํางานเนี่ยคุณต้องสอดสอ่องในอุบายเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยตรงนี้คุณก็ต้องทราบว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่เราจะลดค่าใช้จ่าย น, นี้ได้อย่างไรนะหรือว่าเราจะเพิ่มรายได้เราได้อย่างไรตรงนี้ต้องดูทีนี้ในการที่จะเลี้ยงชีพยอย่างสม่มําเสมอเนี่ยก็ต้องพอรู้แล้วว่าเงินเข้าเท่านี้ นะเงินออกเท่านี้แตนะ่ทุกคนใช้เงินหมดละนะที่เป็นคารวาดไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นอะไรก็ตามเขาก็จะต้องมีรายได้รายจ่ายของเขานะถ้าเป็นเด็กแม่ให้เท่าไหร่นะใช้เงินเท่าไหร่นะถ้าเป็นพ่อเป็นผัวหน้าครอบครัวเป็นแมนะ่ก็ต้องรู้ว่าเอเราให้ลูกเนี่เป็นรายจ่ายของเรานะแต่ไปเป็นรายรับของลูกอย่างนี้นะพวกนี้ต้องทราบ ข, ข้อมูลทราบอะไรยังไงก็ต้องมาทาการวิเคราะหนะ์เหมือนอย่างบริษัทเนี่ย เขามีเขาเรียกว่าบ a ลลังก์ชีตนะคื อ, อระบบบัญชีของเขาเนี่แหละเขาก็ต้องมาทำการวิเคราะห์ทางบัญชีว่าสถานการณ์ของบริษัททำงานเป็นยังไงบ้างนะด้วยบัญชีอย่างนี้นะเหมือนกันพอ ร, รู้ระบบว่าเอ้เราจ่ายเท่าไหร่ ร, รับเท่าไหร่แล้วมาวิเคราะห์ดูดีๆนะว่าถ้าเราจ่ายมากเกินไปนะจ่ายมากเกินรายรับอา้าวไปไม่ได้ไงมันก็ต้องแสดงว่าต้องมีนีสิเนี่ย ต้องมีอะไรมาโปะหรือว่าต้องทรัพย์สินอะไรต้องหายไปบ้างนะพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราต้องดูให้ดีเพราะว่าถ้าคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะเรากบว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับนะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็จะมีคนด่าว่าว่าโอ้คนนี้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายสุรุ่สุยแต่ถ้าเผื่อว่ารายรับเรามากนะแล้วรายจ่ายเราก็เบียดกเสียดเหลือเกินนะกรเบียดกเสียดก็จะมีคนด่าว่าอีกว่าโอ้คนนี้แบบใช้จ่ายฟืดเครื่องแร้เงินแค้นเหลือเกิน นะอยู่อย่างแรงแค้อนอนาถาตายอดตายยากอย่างนี้เพรา ะ, ะนั้นเราก็ต้องรู้จักทําให้เหมาะสมซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกับลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเหนที่ว่าเราต้องบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของเราให้ดีงันถ้ารายรับเราน้อยเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือขึ้นรถเมล์ก็ได้ถ้ารายรับคุณมากคุณจะขับรถที่มันดีหน่อยรู้หน่อยก็สามารถทําได้ถ้าเรารู้จักว่าไอ้รายรับเราเท่าไหร่ละและไอ้รายจ่ายเราเท่าไร่ละแต่ทําให้ดีทําไม่ถูกตัวนี้ แัะ น, น, นี่คือ4ข้อของความที่จะดํารงตนให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้ในภพที่อยู่ในปัจจุบันนี่แหละหรือแม้แต่ในวิถีนี้ก็ตามส่วนอีก4ข้อที่จะทําให้เราดีขึ้นในเวลาต่อต่อไปนะเวลาต่อๆไปอาจจะหมายถึงพรุ่งนี้ปีหน้าในบรนปลายชีวิตหรือแม้ในภพต่อไปหรือแม้แต่เข้าถึงนิพพานนู่นเลยระดับเหนือโลกเพราะฉะนั้นอะไรละ่ะที่ทําให้เราดีต่อไป4อย่างในหมวดที่2องนั่นก็คือ ศีลศรัทธาจาระปัญญานี่นเองได้พูดไปเมื่อสักครู่ศีลศรัทธาจาระปัญญาเนี่ยเป็นคนุณธรรม4อย่างศีลคืออะไรก็ศีลห้าเรานี่ล่ะในะความเป็นสม่ำเสมอความปกฏิบัติอย่างเป็นสม่ำเสมอนะในการที่เราจะรักษาศีลศีลห้าเราธรรมดาแต่ขนะ้อที่2คือเรื่องของศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ของบาปนะิชาวนะว่าบุรชานั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตัวเองในะเรื่องธรรมะอะไร นะเราก็มีความศรัทธาตรงนั้นทําได้ทําไม่ได้ไว้ก่อนนะแต่อย่างน้อยให้มีความศรัทธาแล้วก็ที่3ในหมวดที่2นี้ที่มีการให้การบริจาคนะเพื่อที่จะกําจัดความตระนีในใจแล้วก็เรื่องของการให้เนี่ยก็เป็นการสร้างบุญด้วยนะสร้างบุญปุ๊บคนให้ทานคนรักษาศีลมันก็เป็นทางมาอย่งโภคทรัพย์แต่เราะนั้นไอ้การที่เรารู้จักเพื่อนดีที่เขามีการให้การบริจาคเนี่ยแล้วเราให้เราบริจาค มันก็จะไปออกผลในเรื่องการธรรมาหากินของเราแต่ซึ่งบางทีเนี่ยก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าบางคนใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่เงินก็ยังไม่ออกแต่ยังไม่ได้โภกทรัพย์ที่หวังเอาไว้บางคนรักษาอย่างเต็มที่เลยแต่เงินที่เรารักษาไว้ก็ดันมาหายถูกปรับบ้างสูญหายบ้างไฟไหม้บ้างอะไรบ้างทีนี้ถ้าผม ว, ว่าเราสร้างกรรมดีในเรื่องของการมีศรัทธาในเรื่องของการรักษาศีลการให้ทานพวกนี้แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ย เขจะค่อยออกผลออกผลในหน้าที่การงานของเรานี่เป็นระบบกรรมที่เราเห็นได้ชัดเจนแล้วถ้ามันหายไปแม้เราจะทําใจอย่างไรมันเป็นความทุกข์แต่ก็จึงมีข้อที่4ในหมวดที่2นี้นั่นก็เรื่องของปัญญาปัญญาในการที่จะรู้แจ้งว่าสิ่ ง, งต่างๆมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละให้เรามีความละวางขจัดกิเลสออกไปจากจิตให้ได้ไอ้ที่เราเป็นทุกข์อยู่เพราะว่ากิเลสตัณหามันครอบงาํารัดปริงจิตใจของเราทําไมบางทีเนี่ย เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็โอ้ยเป็นทุกข์มากๆแต่ถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเรามีปัญญาเดีเครื่องที่จะตัดออกเตักกิเลสออกนะเราอยู่น้อยใจเรายังเป็นสุขบ้างเดี๋ยวเจอโรคภัยไข้เจ็บกายเราอาจจะยังเป็นทุกข์แต่อย่างน้อยถ้าเรามีปัญญาอยู่ในใจรักษาจริตของเราไว้มีสติรักษาไว้เดี๋ยวใจเรายังเป็นสุขได้ใจที่เป็นสุขได้นี้แหละมันก็เป็นกําลังใจในการที่เราจะดําเนินชีวิตต่อไปนะเราไม่ทอดทิ้งการให้ทานไม่ทอดทิ้งการรักษาศีล ตามศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาในสีอย่างแรกแในหมวดที่1เนี่ยมันก็จะค่อยออกผลออกผลให้เราอยู่เป็นส่วนในปัจจุบันเราเป็นผู้มีความขยันขันแข็งรู้จักรักษาทรพย์นี่ยจดบันทึกรายจ่ายทําบัญชีรู้รายรับรู้รายจ่ายคบเพื่อนดีพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นส่วนในปัจจุบันด้วยเราก็ไม่ทอดทิ้งการรักษาสี่งกันให้ทานอันนี้เป็นบุญที่สั่งสมสั่งสมไปในการที่จะให้สิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนั้นออกผล ไนขณะเดียวกันถ้ามีเรื่องที่ไม่พอใจอะไรต่างๆเราก็มีปัญญาในการที่จะสลัดออกนั่นเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นแม้สี่อย่างในสองหมวดในท่านฟังมันสอดคล้องรับกันสําหรับชีวิตคารวาจริงๆในการที่จะดํารงตนให้อยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าทั้งในเวลาปัจจุบันนี้ในเวลาต่อไปทั้งในระบบโลกนี้และระบบเหนือโลกนั่มันจะเป็นทางที่ทาให้เราค่อยๆไปได้แล้วก็ ไอ้คำพูดที่แบบโอ้ยฉันยังไม่อยากไปนิพงิพานอะไรเลิกพูดไปเลยท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้คุณจะหวังหรือคุณจะไม่หวังก็ตามอ่ะชีวิตคุณต้องดีขึ้นแต่คุณจะหวังก็ไม่ใช่บางทีหวังจนเลิกหวังไปแล้วโอ้ยหวังจนท้อท้อแล้วก็เลิกเลิกแล้วก็พอมีกําลังใจกลับไปหวังอีกยังไงชีวิตคุณก็จะต้องดีขึ้นดีขึ้นไปในแนวทางของผู้ที่ยังเสพการผู้ยังครองเรือนอยู่นี่แหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรียกว่าดียอดเยี่ยมดีที่สุดเลย สําหรับคนที่ฝึกแล้วจะออกมาดีได้อย่างที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าดีระดับนั้นก็คือจิตหมดจากราคะโทสะโมหะ น, นดีที่สุดนําไปถึงจุดนั้นได้แล้วในขณะเดียวกันในขณะที่เราจะไปถึงจุดนั้นในปัจจุบันนี้เราก็ยังมีความสุขนะมีความสุขที่เกิดจากการอยู่เป็นคราวานี่แหละแล้วนะก็ไม่เบียดเบียในใครด้วยแตนะ่เพราะว่าถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติธรรตาม4ข้อนี้ในสองหมวดนะคือเรื่องแรก การที่รู้จักทำรรมาหากินถึงพร้อมด้วยความขยนันมีความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานหน้าที่2คือรู้จักการรักษาทราพเอาไว้ให้ดีหน้าที่3คือความมีมิตรดีอันที่4คือการเลี้ยงชีพยอย่างสม่ำเสมอแ้าทำอย่างนี้แล้วหน้าที่การงานไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรประสบความสำเร็จแน่นะเราจะมีความสุขในปัจจุบันได้คือมันจะออกผลไม่ออกผลนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเราทำไปทำไปอย่างน้อยความสุขในใจเรามีแต่เราไม่ขัดเข้าในหน้าที่การงาน และในขณะเดียวกันถ้าคุณมีอีก4อย่างเสริมจะทําให้อีกสอย่างด้านนี้มันออกผลได้สี่อย่างที่2น่นก็คือเรื่องของศรัทธาศีลจาระและปัญญาที่จะเสริมทําให้ให้ปัจจุบันที่เราทําอยู่นั้นมันออกผลมีความดีความงามออกมาได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับคนที่ครองเรือนให้ท่องให้ขึ้นใจเลยท่านบุฟังให้ท่องให้ขึ้นใจแต่และอย่างก็มีรายละเอียดที่สําคัญสําคัญอยู่เพระเททาะฉะนั้นท่านบุฟังฟังไปแล้วเนี่ย ทบทวนดูแตนะ่ว่าชีวิตของเรามันยังตรงไหนมันยังขาดอยู่มันยังแหว่งอยู่แต4ข้อนี้เราไม่มีตรงไหนใน8ข้อนี้ตรงไหนเราทําได้เพิ่มแล้วนะเราพยายามทําในะสีข้อแรกเราดีหรือยังใน4ะข้อที่2เราดีหรือยังลองลิสต์มาเพื่อนชั้นมีใครบ้างเราคุณจะทำสีอย่างนี้ไปเปรียบเทียบดูเอ้คนนี้มันมีสีไหมคนนี้มีจาระบีไหมอ่าไม่มีอยากไว้อีกรายการหนึ่งอีกรายการแรกก็เอาเฉพาะคนที่มีดูก่อน น้ำพยายามคบหาสิบคบกับบุคคลเหล่านั้นเราก็จะทําธรรมะในทั้งแปดข้อนี้ให้ดีมากขึ้นได้และถ้าท่านผู้ฟังเอาไปปฏิบัติไปลองทอําดูแล้วนะ้วช่วยบอกหน่อยนะ้ำว่าชีวิตเป็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะ้ำเริตั้งแต่วันนี้ในการที่ฉันจะทําบัญชีในการที่ฉันจะรู้รายรับรู้รายจ่ายให้มันถึงระดับสตางค์นั่นเลยนะถึงหน่วยบาทนั่นล่ะว่าฉันมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่บางคนไม่ทราบเลยซ้าําแต่ฉันมีรายรับรา ย, รายจ่ายเท่าไหร่ ให้รู้เลยว่าเราสอดส่ององบุบายในการทํางานของเราอย่างไรเรามาพิจารณาดูในะเรื่องศีลศรัทธาค่าปัญญาเราคุณทําการศึกษาไหมศีลดีไหมเรามาสอดส่องดูแล้วได้ผลเป็นอย่างไรถ้าต้องการจะแบ่งปันแล้วนะก็สามารถเขียนมานะให้กับชาวทราบได้โดยเกียนเปน็นจดหมายก็ได้หรือเป็นข้อความทางเว็บไซต์ตามที่อยู่ที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนดนรายการในวันนี้ครับเจ้าพระพัยบุญอภิปุโนโจากวัดป่าตอนไฮโซก ข, ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริญพอด